กราบของการจากพระจันทร์สุรินนะฮะของการจากเพื่อนสาธรมิกเจริญพรพวกเราไม่ฉีเนะแล้วก็ญาติโยมก็แล enfin <_ lık> ้วก็มาใกล้ๆปลายปีเนาะก็ดูมีเหลือคนอยู่น้อยๆก็ดีน่ารักดีเป็นตัวจริงกันก็ นึกถึงสมัยก่อนเนาะก็หลวงพ่อเวลาทรมัดก็มีคนกนอยู่สองสามคนนะบางทีก็มีหลวงพ่อรูปเดียวมีพวกเราสองคนบางทีก็มีพระรูปสองรูปน ะ, ะมีญาติโยมอยู่คนสองค น, นน้อยๆนะหลวงพ่อก็เทศนะเทศเต็มที่ หลวงพ่อก็ไม่เคยได้ก็เรียกว่าไม่เคยได้ดูว่าเคนมากคนน้อยจะยังไงอะไรยังไงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นนะคือไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนๆก็ตามอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อก็จะเหมือนกับว่าก็จะเต็มที่กับทุกสถานการณ์เนาะตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่แบบก็เห็นเนาะก็มีโอกาสได้เห็นก็เรียกว่า ครูบาอาจารย์ได้ทำให้ดูได้อยู่ให้เห็นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นึกถึงเนาะหลวงพ่อเองก็เคยบอกบอกบอกว่าหลวงพ่อตอนที่จะบวชเนาะหลวงพ่อก็นึกเอาไว้ในใจว่าหลวงพ่ออยากจะบวชเพื่อเป็นพระดี ถึงมันนี้เราก็มีพระดีประดับวงกันสงฆ์นะอย่างนั้นเพราะเนื่องจากว่าเราก็มองเห็นนะสงสารบกของพระผู้มีพระพ้าคเจ้าปฏิบัติ ด, ดีแล้วนะก็หลวงพ่อพก็ปฏิบัติ ด, ดีไม่มีอะไรบกพร่องนะสงสารบกของพระผู้มีพระพ้างเจ้าปฏิบัติตรงแล้วั้นถ้าเรามองในมุมนี้นะหลวงพ่อพก็ปฏิบัติไม่อ้อมค้อมอะไรนะไม่หลีหลร อ, อไม่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ปฏิบัติไปเลยนะ ถือให้การกระทนะํเนาะเป็นสิ่งที่นำหน้าความคิดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้เราต้องไปเชื่อฟังเนาะให้การกระทําให้ผลของการกระทําเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ค่อยๆ ค, คลี่คลายไปตรงนี้ก็เป็นการปฏิบัติตรงทาไ่งั้นก็วุ่นวายอยู่ในความคิดนะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอะไรต่างนานาเรื่อนี้ไม่ลงมือสักทีผลอะไรก็มองไม่เห็น หรือว่าสงสารมกของพระผู้มีพระพักตรเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วนะหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัติเนาะเขาเรียกว่าได้ปฏิบัติในใจปฏิบัติอยู่ในใจอย่างนั้นตลอดเวลานั้นนั่นคือตรงนี้ก็ถึงวันถึงวันนี้หลวงพ่อก็พูดเนาะอย่างไม่ไม่อะไรนะก็เรียกว่าย่างแบบว่าพูดเป็นธรรมดาแล้วก็สอดคล้องกับชีวิต ของหลวงพ่อก็คือไม่เป็นอะไรกับอะไรตรงนี้เนาะมันก็เห็นได้เห็นมาองค์นี้หลวงพ่อนะปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วนั่นคือตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นพระดีนะก็เห็นอยู่หรือว่าในสิ่งที่เรียกว่าสงสารบกของพระผู้มีพระพักตเจ้าปฏิบัติสมควรแล้ว ตรงนี้ก็ได้มองเห็นนะหลวงพ่อก็ปฏิบัติพอเหมาะพอสมมากๆเนื่องปฏิบัติพอเหมาะพอสมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเราก็ได้เห็นนะก็เรียกว่าในทุกในทุกๆุจังหวะชีวิตของหลวงพ่อในทุกๆสิ่งที่หลวงพ่อเข้าไปเกี่ยวข้องหลวงพ่อปฏิบัติเหมาะสมพอเหมาะพอดีมีครั้งหนึ่งก็มีโยมที่กรุงเทพก็ แบบนิมนต์หลวงพ่อไปกรุงเทพเนาะก็ปรากฏว่าก็เห็นของนิมนต์เนาะเอของเวลาไม่ใช่ของนิมนต์ของที่เขามาถวายหลวงพ่อโอ้เยอะเยอะตอนนั้นเป็นโยมอยู่นะออัตมาเป็นโยมอยู่ก็ปรากฏว่าก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าโอ้หลวงพ่อแบบว่ารถน่ะไม่พอของใส่แล้วละ่ะต้องไปหลังต้องเปลี่ยนเป็นรถหกล้อ หลวงพ่อก็บอกว่ายาเด็ดขาดแล้วก็พอดีตอนนั้นรถมันก็จะมีที่ใส่ของหลังคารถใช่ไหมหลวง่อบอกบอกเนี่ยแบบว่าเ ด, เดี๋ยวจะเอาที่ใส่หลังคารถมาติดหลวงพ่อบอกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยพอแล้วพอแล้ ว, แ ล, วแล้วเสร็จแล้วพอเวลาที่เวลาจะจะเลิกงานเนะหลวงพ่อ ก, ก็กระซิบบอกบอกบ้าเดี๋ยวน้ำพอเลิกงานแล้วนะแบบว่าตรงไปที่รถนะ แล้วก็แบบอยากชักช้าอยากชังช้าแบบว่าตรงไปที่รถเลยแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ออกรถไปเลยนะก็ก็หลายครั้งนะฮะที่เป็นอย่างนี้เขเข้าของที่บางทีญาติโยมถวายมาก็ขึ้นรถไม่ทันหมดหลวงพ่อบอกอายเขาเราไม่ได้มาเพื่อจะมาเอาของเข้าหรืออะไรอย่างนั้นนะอย่างนั้นแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะ หลวงพ่อก็บอกนะหลวงพ้าก็บอกมาเวลาบางทีที่ไปไปไหนที่ญาติโยมเขาถมายของที่ดูเหมือนกับบ้ามันก็ไม่น่าที่จะเอากลับวัดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะห <c oughs> ลวงพ้าก็จะบอกบอกว่าเรานะี่เป็นพระจนนะแล้นเรานะแบบว่าอย่าไปดูถูกศรัทธาชาวบ้านนะแบบว่ามีอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเก็บไปให้หมดเลยนะอย่าทิ้งเอาไว้เด็ดขาด เราแบบบางทีเราก็ต้องเข้าใจเรื่องราวแบบนี้นะฮะใช่ไหมฮะว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยหลวงพ่อมองเห็นเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือ น, นี่คือเป็นสิ่งที่บางครั้งเนาะแบบว่าไปกรุงเทพใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมีอีกครั้งหนึ่งก็มีนิมนต์หลวงพ่อไปก็เป็นแค่แค่ว่าพูดนิมนต์ก็นิมนต์หลวงพ่อในฐานะลูกศิษย์ หลวงพ่อก็ไปให้ในฐานะที่หลวงพ่อก็เคยอยู่กลๆว่าเคยอยู่ด้วยกันเคยอะไรต่างๆนานาแล้วนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปในฐานะที่อะไรก็เหมือนว่าคนรู้จักกันหลวงพ่อก็บอกว่าไปเยี่ยมเยินกันอะไรทํำนองนี้ก็พอดีมันเป็นช่วงปีใหม่ปรากฏว่าไปถึงก็เป็นประลําเป็นประลำกลางหมู่บ้านไม่ใช่ว่าไปไปที่บ้านไปเยี่ยมบ้านกันอะไรต่างๆนานาแล้วนี่ตั้งประลาใหญ่โตมากเลยอยู่กลางหมู่บ้าน ของนี่โอ้โหแบบเรียกว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะหลวงพ่อก็บอกว่าอายเข้ามากเลยนะอย่างเนี้แล้วหลวงพ่อไม่เคยไปอีกเลยก็นี่ก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ปฏิบัติสมควรนะปฏิบัติสมควรตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็จะเหมือนกับเรื่องเรื่องพวกนี้หลวงพ่อก็จะเป็นเรื่องหลวงพ่อจะละเอียดนะละเอียด ในส่วนของการในส่วนของการดําเนินชีวิตพระตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เขียนก็ เ, เรียกว่าเขียนกติพจน์นะในท้ายที่สุดนี้เมื่อหลวงพ่อเขียนกติพจน์เมื่อเมื่อเด็อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีเขาจะมีคล้ายๆแจกรางวัลอะไรถวายรางวัลหลวงพ่อน่ะอย่างเนี้ยก็เขาก็ถามหลวงพ่อมีคติพจน์ประจําใจอะไรยังไงอะไรอยงเนี้ยหลวงพ่อก็บอกบอกว่า หลวงพ่อก็เขียนไม่ถูกนะ ก, ก็มีช่องว่างให้เขียนเยอะๆนะเสร็จแล้วท้ายที่สุดเนี่ยหลวงพ่อก็เขียนบอกว่าชั่วไม่ทำดีทำไปนะไม่สนใจใครติชมชั่วไม่ทำนะดีทำไปไม่สนใจใครติชมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คือคำว่าคติพจน์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าอยู่ในใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ประจําอยู่ในใจ แล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่อยู่ในใจอย่างเดียวแต่ว่าก็ทำออกมาเป็นเรียกว่าทำออกมาเป็นการกระทำมีครั้งหนึ่งก็มีงานที่สนามหลวงนะสมัยก่อนสนามหลวงก็จะเป็นที่จัดงานเวลาจัดงานใหญ่ๆทั้งหลายลในสนามหลวงคนก็จะเยอะมากๆนะอย่างเงี้ยก็มีก็เรียกว่าเทศบาลก็จะเอาก็เรียกว่ารถที่มาเป็นสุขาเคลื่อนที่เนาะ อย่างเงี้ยมาปรากฏว่าหลวงพ่อก็ขึ้นไปขึ้นไปใช้บริการก็ปรากฏว่าก็มีคนรออยู่นะรออยู่เยอะๆนะแต่ปรากฏก็มีห้องหนึ่งนะที่มันก็ว่างอยู่ไม่มีคนใช้อย่างนี้ปรากฏว่าหลวงพ่อเปิดเปิดประตูเข้าไปแล้วปรากฏว่าห้องมันก็เต็มไปด้วย ให้ความไม่ได้ทําความสะอาดเนาะอย่างนั้นหลวงพ่อก็บอกโอ้ดีมากเลยแลาา้วหลวงพ่อก็จัดแจงแบบว่ า, วาพับจีบอนเรียบร้อยแล้วก็ขัดขัดสะอาดเอี่ยมอย่างเงี้ย น, นะหลวงพ่อเวลาที่หลวงพา่อทําเรื่องแบบนี้แล้วหลวงพ่อก็จะพูดจะพูดมีอยู่คำหนึ่งนั้นก็ขออภัยอาจจะจําได้ไม่ดีนักนัก บอกว่าแบบว่ า, วาเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับถ้าเราพูดเป็นภาษาเราก็ต้องบอกสะใจจริงๆแต่หลวงพ่าไม่ได้ใช้คํานี้นะฮะหรือว่าอาจจะพูดว่ายังไงสักอย่างเนี่ยนะขอขออภัยที่จําไม่ได้นะแต่ก็แบบเนี้ยก็เหมือนกับว่าแบบสมน้ําหน้ามันความสกรปรกเนี่ยเออใช่ใช่หลวงพ่าจะใช้คําพูดนี่นะสมน้ําหน้ามันความสกรปรกนี่ ก็คือจะแบบมันก็สกปรกแต่หลวงพ่อก็ทำให้มันสะอาดใคือตรงเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่แบบว่าเนชั่วไม่ทำดีทำไปเนอะก็ไม่สนใจใครจะติใครจะชมใครจะบ้าเอะอาจจะเป็นคนที่ยืนแถวรอรออยู่นะอาจจะนึกติหลวงพ่อว่าโอ้ยนี่แบบว่ามาทำอวดใครอะไรอย่างนงี้นะก็อาจจะมีคนนึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ หรื อ, อาจจะมีคนชื่นชมว่าโอ้หลวงพ่อแบบว่าทําดีดีนะแบบว่าคนอื่นจะได้ใช้หรืออะไรงไงหลวงพาก็ไม่ได้สนใจอย่างนั้นนะแต่ว่าสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องที่หลวงพ่าก็อยู่ในใจอยู่ตลอดมานะว่าเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยทําทันทีเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยทําทันทีจะไม่ทิ้งเอาไว้ไม่ให้เป็นดินพอกหังหมู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เห็นเห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างเรื่องของการตื่นกันหลับ ตรงนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าลมพัดก็จะบอกนะลมพ่าบอกว่าเวลานอนที่ไหนเนี่ยอย่าให้ใครรู้นะว่าเรานอนที่ไหนไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นหลบไปแอบไปซ่อนนอนที่ไหนนะแต่หมายถึงว่าเวลาที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะปล่อยอะไรให้มันลกลุงลังนะแบบเก็บให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยในขนาดที่พร้อมที่จะให้ใครก็ตามเนี่ยมา แบบว่าเข้ามาอยู่ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็จะทําอย่างนี้เนาะท ำ, านนะทำอย่างนี้ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าอย่างเวลาที่หลวงพ่อทํางานหลวงพ่ออะไรต่างาานานานแล้วเนี่ยของที่อยู่บนโต๊ะทํางานหลวงพ่อเนี่ยจะแบบว่าจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยใครจะเข้ามาทํางานต่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะฮะอย่างนึงคือคือหลวงพ่อจะไม่ทิ้งอะไรไว้ให้มันเป็น ที่แบบเรียกว่าเป็นภาระกับคนอื่นไม่มีนะฮะไม่มีก็คือจะเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าแบบคือเห็นอะไรก็ตามเนี่ยหลวงพ่อก็จะทําทันทีหลวงพ่อก็เคยเล่าให้มาสมัยก่อนเนี่ยที่สุขโตตรงเนี้ยมันก็จะมีทางเดินก็หลวงพ่อไม่ได้ชี้ให้ดูนะฮะว่าทางเดินที่ไหนแต่ว่าหลวงพ่อก็บอกว่ามีจอมปลวกเนี่ยขวางทางเดินอยู่อาจจะเป็นช่วงที่อยู่แถวแถว ออกจากหอไตรก่อนที่จะเลี้ยวไปทางก่อนที่จะเลี้ยวไปทางครัวเนาะอย่างนั้นอาจจะเป็นแถวแถวประมาณนั้นเมื่อก่อนมันก็จะมีจอมปลวกจอมปลวกที่นี่ก็เรียกว่าปลวกมันจะทํางานเร็วมากมากนะอย่างนั้นก็เป็นจอมใหญ่เป็นจอมใหญ่เป็นคนคนเนี่ยเป็นใหญ่ขนาดคนอย่างเงี้ยนะนุ่มนะพ่อเบอกบอกว่ามันก็เกะกะทางเดินอยู่หลายวันไม่ไม่ใช่เกะกะทางเดินเกะกะทางเดินอยู่นานแล้วก็เหมือนกับว่า มันอาจจะไม่มีทางเลี่ยงทางอื่นเล ย, เลยอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็แบบว่าเห็นมันเป็นอย่างนี้อยู่นานแล้วเนาะวันหนึ่งก็จะไม่ใช่เรียกว่าวันหนึ่งก็ไม่ถูกนะต้องเรียกว่าคืนหนึ่งพอคนไม่มีแล้วเนะาะหลวงพ่อก็แบบว่าเรียกว่าจัดการเอาจอบเนาะไปขุดจำปลวกนะออกจนกระทั่งถึงเช้าเนะีมันก็เกลี้ยงนะ ก็ปรากฏว่าเกลี้ยงเรียบร้อยเหมือนกับว่ามันหายวับไปกับตาอย่างนั้นก็ปรากฏว่านะก็เป็นฝีมือของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้บอกใครอะไรยังไงชาวบ้านก็บอกว่าโอ้สงสัยเทยวดามาเอาออกไปหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เนี่ยนี่คือนี่คือหลวงพ่อหรือว่าในช่วงที่เรียกว่าในช่วงที่วัดเนาะ ยังไม่มีก็เรียกว่ายัางไม่มีอะไรที่พร้อมพร้อมมูลมากนักเนี่ยก็หลวงพ่อก็รู้อยู่ว่าคนที่วัดก็พอมีเนาะบินธบากก็จะไม่พอกินกันอย่างเงี้ยนั้นนั่นนันคือหลวงพ่อก็บอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำก็คือหลวงพ่อจะลุกขึ้นไปแลาทำกับข้าวกับปลาหุงข้าวอะไรไว้ให้เรียบร้อยเนี่ยตั้งแต่ก่อนคนตื่น หลวงพ่อบอกว่าพระเนี่ยจะไปทํากับข้าวกับปลาอะไให้โยมเห็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะมันไม่เหมาะไม่สมอะไรอย่างนี้นแต่ว่านั่นคือเป็นเรื่องที่หลวงพ่อก็ทําเนาะแต่ว่าทําตอนที่โยมยังไม่มาพอใกลบ่าเช้ามาถึงก็เหมือนกับเทวดามาเสกกับข้าวข้า ว, าวปลาอาหารเอาไว้นะอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่นี่นี่หลวงพ่อก็จะทําทําในเรื่องแบบนี้ชั่วไม่ทําเนาะดีทําไปนาะไม่รอให้ใครติใครชมอะไรยังไง ไม่สนใจตรงนั้นอะไรเงี้ยภาพแบบนี้เราก็จะเห็นเห็นเห็นต้องเรียกว่าเห็นเห็นตลอดมาตอนนี้กําลังจะเป็นช่วงที่มีธรรมญาติตาเนาะหลวงพ่อก็จะไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่เพราะอะไเพราะว่าธรรมญาตราจะเริ่มต้นที่วัดปูกเก่าทองในวันที่สาสิ่งที่หลวงพ่อทำก็ทําเหมือนอย่างเมื่อก่อนที่หลวงพ่อเคย รับรองพวกเราตอนที่พวกเรามานะั่นก็คือปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ห<ม>ลวงพ่อก็ตอนนี้ก็เตรียมเตรียมพื้นที่ทำแบบนั้นนะศาลาใหญ่ที่ทำใหม่ทำเสร็จใหม่ศาลาน้าใสตอนนั้นก็หลวงพ่อก็จะแบบว่าดูแลเพื่อที่จะลองรับญาติโยมญาติโยมจะมาใช้หรือไม่ใช้ไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆแล้วก็พื้นที่วัดปุกทองที่จะให้คนได้ใช้เป็นสาธารณะก็เยอะนะ แต่ว่านั่นคือหลวงพ่อก็จะเตรียมมาไว้ก่อนเตรียมให้พร้อมเนาะอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราจะเห็นนะการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็ดีหรือเป็นการเตรียมตัวของหลวงพ่อก็ดีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอืมเมื่อกี้พระอาจารย์สุรินทร์ก็พาสวดเนะาะธาตุปัจเจเบกเนาะใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ ยะถาปัจจะยังปวัตตมานังธาตุเมตเวตังธาตุมัตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นคือไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่จีวรเนาะแต่ว่านั่นคือรวมทั้งบุคคลก็เป็นก็เป็นสิ่งที่เป็นสักแต่วัฏธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าธาตุที่ประกอบเป็นดิมน้ำลมไฟเนี่ยมันออกไปในรูปของจีวรก็ดีออกไปในรูปของคนก็ดีเนะ ซึ่งนั่นก็คือก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างรูปกันเนาะแล้วก็ก็ถูกใช้ถูกสอยเหมือนกันนะจีบอก็ถูกใช้ถูกสอยคนก็ถูกใช้ถูกสอยแลท้ายที่สุดก็ก็กลายเป็นกลับกลายไปเป็นดินกลับกลายเป็นของสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันจีบอก็ผุเปื่อยไปเนาะผู้คนก็ผุเปื่อยไปเหมือนกันตรงเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็เรียกจีบอก็ดี บินทบาดก็ดีเสื้อผ้าเครื่องเรือนที่เราอยู่อาศัยก็ดีหรือจะเป็นยาก็ดีทั้งหมดก็อยู่ในรูปเดียวกันก็คือให้เราเนี่ยได้เห็นเนาะความเป็นที่ท้ายสุดเนี่ยเราก็เหมือนกับก็เน่าเปื่อยผุพังไปนี่คือความเป็นร่างกายเนาะความเป็นร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันความเป็นธาตุเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผิดไปก็คือ ทำยังไงร่างกายนี้จะยังประโยชน์เนาะตรงนั้นก็หมายถึงว่าเราก็ต้องฝึกจิตฝึกใจเนาะเพราะนั้นคือเสนาสนะก็ดีอาหารก็ดีเนาะใช่ไอย่างนี้จีบอนก็ดียาก็ดีมันไม่มีจิตใจเนาะมันเกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบนั้นก็จริงท้ายสุดมันก็เน่าเปื่อยผุพายพังไปก็จริงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคนเราก็เกิดมาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือเรามีจิตใจ นั่นก็คือตรงนี้พระพุทธเจ้าเองก็ได้ทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่ต่างไประหว่างคนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันร่างกายนี้เนาะก็เน่าเหมือนกันเหม็นเหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือจิตใจที่จะคอยดูแลร่างกายนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้เราเองเนี่ยเหมือนกับว่าได้กํากับร่างกายนี้ไปทํากิจต่างๆที่เหมาะที่สมเนี่ย ตรงนี้เองเราก็เหมือนกับจะไม่เหมือนกับไอ้นู่นไอ้นี่ที่เกิดขึ้นมาในรูปร่างต่างๆแล้วก็เน่าเน่าเปือ่อยปุพังไปเฉยๆเนาะประโยชน์ก็ไม่สมไม่สมควรตรงนี้เป็นสิ่งที่นี่นี่คือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็ได้เพียนเนาะเพียนที่จะเหมือนกับว่า คอยบอกคอยสอนไม่รู้จักเบื่อหลุงมพ่อเองก็จะบอกเนะขอมีส่วนร่วมนะขอมีส่วนร่วมตรงนี้ในคําว่าขอมีส่วนร่วมของหลวงพ่อนี่ไม่ได้ว่าหลวงพ่อแบบว่าอะไรล่ะก็เรียกว่าอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยเนาะอยากที่จะขอสนทนากับพวกเราหรือว่าอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแต่ว่าหลวงพ่อมองเห็นมาทุกวันนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เหมือนกับว่า แก่ตัวลงมากแล้วเนาะพอหลวงพ่อแก่ตัวลงมากแล้วเนี่ยหลวงพ่อ ก, ก็เคยพูดเปรียบกับตัวเองเนี่ยเหมือนไก่เนาะบอกว่าเวลาไก่เนี่ยที่มันแก่เนี่ยไก่ป่าที่มันแก่มันก็จะหลบไปอยู่ตัวคนเดียวเนาะอย่างเนี้ยนะอย่างนั้ น, ะนปล่อยให้ไก่ปล่อยให้ไก่หนุ่มๆเนี่ยก็ ข, ขึ้นมาทําหน้าที่ของเขาเองต่ดด้านอะไรนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ ย, ยมันก็เป็นที่ที่เหมือนกับว่าหลวงพ่อก็จะเหมือนกับให้โอกาสพวกเราเนาะ ได้เหมือนกับว uh, ่าได้พูดได้พูดไอ้นุนไอ้นี่สู่กันปังอะไรทํำนองนั้นหลวงพ่อก็จะเหมือนกับว่าไม่ขอรับหน้าที่นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะไม่เคยได้ยินสับคานี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนาะใช่ไหมอย่างนั้นแต่ว่าเราจะได้ยินสัพ์คําเนี้ยในตอนหลังๆเนาะหลวงพ่อขอมีส่วนละขอมีส่วนร่วมด้วยหลวงพ่อขอมีส่วนร่วมด้วยตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่นี่นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเองก็เหมือนกับว่าณเวลานี้ ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของหลวงพอ่อแต่ว่าทำนองเดียวกันเนาะหลวงพอ่อเองก็มีโอกาสหลวงพอ่อก็จะไม่ทิ้งโอกาสตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเราก็ได้เห็นเาเรียกเราก็ได้เห็นการที่หลวงพอ่อได้ทำหน้าที่ของหลวงพอ่อย่างเต็มที่ตรงนี้หลวงพอ่อก็พูดในไม่ใช่พูดนะก็เขียนในเขาเรียกว่ า, าใน ในเอกสารที่เขาถามนะที่บอกว่าหลวงพ่อมีคติพจน์ประจําใจอะไรแล้วก็คําถามที่2ก็คือหลวงพ่อเนี่ยภูมิใจอะไรในชีวิตหนะลวงพ่อก็บอกว่าสิ่งที่ภูมิใจก็คือหลวงพ่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ผลของการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเนาะการที่หลวงพ่อปฏิบัติธรรมและได้ผลในการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือคําว่าได้ผลก็หมายถึงว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย หลวงพ่อก็บอกกับนะบอกกับโยมแม่ของหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นเป็นคนแรกนะบอกบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยหลวงพ่อจะไม่เอากายนี้ใจนี้เนี่ยไปทำสิ่งที่ไม่ไม่ดีไม่งามหลวงพ่อจะเอากายนี้ใจนี้เนี่ยไปทำแต่สิ่งที่ดีที่งามตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราถ้าเกิดว่าเราได้นึกถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาเนาะ อะไรที่ไม่สมควรก็ไม่ทำอะไรที่สมควรก็ทำไปหรือว่าถ้าเรานึกถึงว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปปัจบันนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็จะช่วยโอกาสเนาะเอาเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยทำในกิจที่ควรนั่นนั่นคือตรงเนี้ยกิจที่ควรจะทำได้ยังไงกิจที่ควรก็จะทำได้ต่อเมื่อเรามีสติคอยกากับคือตรงเนี้ยก็สาคัญนะเพราะนั้นนั่นคือ การที่หลวงพ่อเนาะเพียรที่จะแบบว่าบอก ท, ที่จะสอนเนี่ยเราก็จะพบว่าหลวงพ่อไม่บอกอะไรมากไปกว่านี้เลยนะก็คือการที่เปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่หลวงพ่อก็บอกนะนี่คือที่สุดแล้วนี่คือความเพียรเนาะแบบว่าที่มันเป็นเ้าเรียกว่า เรียกความเพียรความเพียรชอบเป็นความเพียรชอบตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนหลงเป็นรู้การเปลี่ยนหลงเป็นรู้คือความเพียรชอบความเพียรชอบก็ไม่ต้องนึกอะไรมากมายเนาะก็แค่นี้เองกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวหลวงพ่อเองก็จะบอกอยู่เสมอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามกลับมารู้สึกตัวแต่ว่าคานี้เนี่ยเป็นคาที่เขาเรียกว่า มีมีมีเส้นทางที่ยาวไกลเนาะการรู้สึกตัวตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เราหัดเนี่ยเนาะก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเราจะได้ยินได้ปังเข้าหูมาถ้าเราได้ยินได้ปังเข้าหูมาเนี่ยการที่เราจะทำความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะสัมผัสความรู้สึกตัวตรงนั้นได้เนาะอย่างนีงเน้เราก็เหมือนกับว่าก็ต้องผ่านความคิดเนาะก็เรียกว่า ผ่านความคิดเยอะๆไปหมดเลย right ของเราซึ่งจริงๆแล้วความรู้สึกตัวก็เป็นสิ่งที่ซื่อๆตรงๆนะหลวงพระเทนก็จะบอกรู้ซื่อๆนี่แ ห, หละรู้ซื่อๆนี่แ ห, หละแต่ที่ไม่ซื่อเพราะอะไรไอ้ที่มันไม่ซื่อเพราะว่า ม, มันมีความคิดมาบังแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าไอ้แค่นั้นเองเนี่ยของคนเราที่นิยมที่จะคิดนะเห็นความคิดเป็นเพื่อนนะเห็นอะไรต่างๆนาน า, น า, นานเหล่านี้เนี่ยไอ้การที่เราจะละความคิดเนี่ยเพื่อที่จะรู้สึกตัวซื่อๆเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ทางเดินของความรู้สึกตัวนะกว่าจะเป็นความรู้สึกตัวที่ชัดเจนกว่าจะเป็นความรู้สึกตัวที่ซื่อเนี่ยตรงเนี้มันก็จะมีระยะเวลาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินได้ฟังปุ๊บเราสามารถทําได้ทันทีเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการที่เราจะเพียนเนาะเขาเรียกว่าคอยรู้สึกตัวผ่านจะเป็นรูปแบบของการสร้าง14จังหวะ ก, ก็ดีหรือจะเป็นรูปแบบของการจงกลมก็ดี หรือจะเป็นรูปแบบที่ก็เรียกว่านอกรูปแบบที่อยู่ในอิริยาบทต่างๆเหล่านี้ก็ดีเป็นเรื่องที่เรียกว่าพวกเราเองก็มีโอกาสที่จะเพียรตรงนี้ได้ตลอดเพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่อเทียนก็ให้หลักเอาไวนะ้เนาะว่าให้เราอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเนาะให้เราอาศัยความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเป็นฐานเนาะที่จะให้ใจเนี่ยกลับมารู้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นใจความสําคัญมากๆเลยเราทําอย่างนี้เท่านี้เองเนาะเราทำอย่างนี้เองเท่านี้เองแต่ว่าให้ทําให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเนาะทำให้คล่องขึ้นคล่องขึ้นท้ายที่สุดตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพอเราทําไปทําไปมันก็จะกลายเป็นชีวิตจิตใจของเราตรงนี้ก็เมื่อไหร่ที่เป็นชีวิตจิตใจของเรามันก็ไม่ต้องเพียนไม่ต้องทําอะไรเพราะเนื่องจากว่ามันก็อยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วนั่นนั่นคือตรงนี้เส้นทางของความรู้สึกตัว ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้นไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ต้องคิดอะไรให้มันวุ่นวายการที่เราปฏิบัติตงนี้ตรงตรงอย่างนี้อย่างเดียวเนาะปฏิบัติตงตรงอย่างนี้อย่างเดียวเนะี่ยเป็นทั้งหมดหนะหลวงพ่อกมเกเขียนก็จะบอกเป็นทั้งหมดเป็นทั้งแต่เริ่มต้นด้วยเป็นท่ามกลางด้วยเป็นที่สุดด้วยความไม่มีไม่เป็นอะไรของหลวงพ่อกมเกเขียนที่เป็นได้ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะจากตรงนี้นั่นเองหลวงพ่อก็จะย้าอยู่เสมอ สิ่งที่หลวงพ่อพูดคือสิ่งที่หลวงพ่อทำนะเพราะนั้นนั่นคือถ้าพวกเราทําตามที่หลวงพ่อพูดเนี่ยพวกเราก็จะได้พบได้เห็นเหมือนกันนั้นนั่นคือตรงนี้ก็อยากให้พวกเราได้เห็นเห็นภาพของหลวงพ่อเห็นปฏิปทาของหลวงพ่อแล้วก็ได้เห็นคําสอนของหลวงพ่อเนี่ยแล้วให้พวกเราเนี่ยได้เอาสิ่งต่างๆนาเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทำเนาะให้เป็นเนื้อเป็นตัวของเราแล้วก็ตรงนี้เนี่ยความไม่มีไม่เป็นอะไร กับอะไรเนี่ยก็จะเป็นสมบัติของพวกเราด้วยกันทุกๆคนก็ขอพวกเรากราบพระพร้อมกัน